พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าใจเราหยาบต้องปราบด้วยศีลวันนี้เป็นวันที่14 เมษายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำนะคณะจตธายาิโยมลูกหลานเป็นวันพระเป็นวันสมาทานศีลของพวกเราเป็นวันรักษาศีลผู้ที่เคยรักษาศีลว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีล5รักษาศีลอุโบสถตลอดในวันพระ8ค่ำ15ค่ำอันนี้ก็กอย่าลืมเนอให้พวกเรา ถึงจะไม่ได้รับสมาทานจากหลวงพ่อให้พวกเราพวกเราวิรัตเจตนาสมาทานทั้งแต่นู้นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาตีสามตีสี่ขึ้นมาแล้วก็ไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วก็นะโมตัสสะพระครวตโตพุทังธํามังสังขังทุติตาติจานั้นกักปานาติปาตาเวลมณีอย่างที่พวกเราศึกษานั่นะ จนถึงท่ารักษาศีลห้ากับสุราเมีรยามาชับ ป, ประมาณทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอิมาณิปัญจะสิกขาประธานนิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้า น, น, นี้ก็เป็นศีนลแล้วนะคณาทหาย ญ, ญาติโยมไม่ต้องมารับกับพระแต่ตามไม่จริงมาถึงวัดพระก็รับเอ ก, ก็ได้รับเอกสมาทานศีลเอกเป็นรอบที่สอง ถ้าว่าเราอยู่ในบ้านของเราเราก็ีไม่ไม่ได้ีภาระธุระไม่ได้ม า, เ, าเราก็สมาทานในบ้านของเราหรือเราอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมาทานอุโบสถศีลอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลแปดอัฏฐสมาธิยามิสมาทานศีลอข้าพเจาตั้งรัตวิรัจเจตนารักษาศีลแปด ก็เป็นศีลทางนั้นหละนะ่อันนี้ก็คือวันพระพวกเราจะได้ลดล ะ, ะการประกอบคุณงามความดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นใหม่ อ, อย่างสเปะสปะไม่รู้จะไปทางไหนพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าพุทธบริษัทมากมายขึ้นมาแล้วควรจะมีวันสำคัญ ในพระพุทธศาสนาเป็นวันฟังธรรมวันธรร ม, มัตสวรรค์คือวันฟังธรรมหรืวันมาพอบะสังสรรค์กันพระพุทธองค์จะเอาวันไหนเอา8ค่ำสิบหาค่ำอดีไหมหนอพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็อนุมัติตา ม, รา พ, ม พ, ารร พ, พระเจ้าพิมพ์พิสารนะพระพุทธเจ้าพิมพิสารเสนอก่อนนะพระพุทธองค์ก็ได้อนุมัติตามเพราะนั้นลึงจึงถือเป็นประเพณีกันมา แต่แต่ครั้งพุทธกาล8ป่ํา15ิบําเป็นวันประกอบคุณงามความดีเป็นวันประกอบบุญกุศลแต่หลายๆวันมาแล้วนะตั้งแต่วันที่11ที่หลวงพ่อขึ้นมา11 12 13ดสิอมีแต่พูดเรื่องวันสงกรานต์ประพฤติตนอย่างไรเราควรจะทำตนอย่างไรในวันสงกรานต์ลูกหลานลลูกเล็กเด็กแดง ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังพ่อแม่ควรจะแนะนําสั่งสอนอย่างไรหลวงพ่อได้พูดมาหลายวันนะวันนี้จะพูดเรื่องต้นต่อนะต้นต่อของเรื่องราวต่างๆต้นต่อของเรื่องราวต่างๆคืออะไรหลวงพ่อจะยกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพ ร, พระบรมครูของพวกเราก่อนที่พระพุทธเจ้า จะได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์เป็นกษัตริย์กุงกบินละพัดจากนั้นก็หนีออกจากเบียงวังกลางคืนนะหนีออกจากเบียงวังกลางคืนไปบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าถึงเวลาทั้งหกปีไปบวช ท, ที่ฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีในประเทศอินเดียนะแต่พอวันถึงเดือนวันเดือนหกเพน พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญอะไรได้พบผลทางได้พบหลักธรรมได้พบแนวความคิดที่เป็นอมตะจากนั้นพระองค์ได้บําเพ็ญตอนหัวค่ําเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในวันนั้นใครว่าหูแจ้งตาสว่างดวงพระไทยใจของพระองค์เปิดสว่างขึ้นมา แต่ก่อนมันมืดมิดปิดตาคิดอะไรก็ไม่ออกคิดอะไรไม่ออกเหมือนเ ร, เราคิดบวกลบคูณหารอย่างนั้นอะ่ะคิดยังไงไม่ออกพอวันอีกสักวันหนึ่งมันเปิดโล่งโอ้ใช่ถูกต้องนะลักษณะอย่างนั้นอะ่ะอันนี้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านท้องลองผิดลองถู ก, ล อ, ถกลองถูกลองผิดถึงหกปีแต่วันเดือนหกเพนอนะ่ะพระพุทธองค์เปิดโล่งในใจเอออันนี้ทางถูกต้องนะท่านว่าได้ไดสําเร็จนะ สําเร็จตามความที่พระ อ, องค์มุ่มาร ป, ปราถนาปราถนามาณนมนาฏและกัค้นหาสิ่งที่พระองค์อยากจะพบอยากจะเห็นจึงได้ตรัสรู้ตอนหัวค่ำนะปุกเพนิวาสานุจจติยานระลึกชาดหัวหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูตตปะปาตยานการดูสัพรพสัต์ทั้งหลายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดของสัพพสัตว์ทั้งหลาย สัรพสัตทั้งหลายก็คือเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นสัตว์ทั้งหมดนะพระพุทธองค์บอกว่าสัตตะเนี่ยแปลว่าผูกคล้องผูกข้องอยู่ในโลกวัตฏะสงสารข้องอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะยังหนีออกจากโลกไม่ได้ตั้งแต่พรมพรมทุกชั้นสวรรค์ทุกชั้นมนุษย์สัตว์ติราชานไปนว่าสัตตะทั้งหมด แปลว่ายัง เ, ยางเป็นผู้ข้องอยู่ในวัตฏะสงสารยังไม่ถึงแดนพระนิพพานนวัตชิตะไปว่าอย่างข้องอยู่นี่แหละพระพระองค์มองดูสัตตะทั้งหลายทําไมเวียนไหวตายเกิดสรรพสัตว์ทั้งหลายทําไมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างนั้วมนุษย์เกิดมายังไม่เหมือนกันอีกมนุษย์แท้ๆเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกัน เพราะอง์ก็มองดูท่านมองว่ากรรมกรรมจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแตกแตกต่างกันถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีจะให้ผลถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลกรรมดีให้ผลเป็นยังไง เ, เป็นที่พึงปรารถนาเสร็จสวยงดงามร่ํารวยโชคดีมีสุขปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาอันนี้คือว่าบุญกุศลกุศลให้ให้ผล แต่บาปอกุศลอกุศลคือบาปบาปให้ผลไปทางตาหูหนวกตาบอดบ่าปไบ่โง่เง่าเตาตุนเออย่างพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหลายได้เห็นในโลกเนี่แหล ะ, ะบางทีคนที่มีบุญก็มีบาปเข้ามาแทรกก็มีเหมือนกันนะอะบางทีคนมีบาปบุญเข้าไปแทรกก็มีนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกเะจะ้าดู พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตยานการจุติของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายการจำแนกของกรรมเพราะนั้นพระพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมชั่วสิ่งที่มันชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราทำลงไปแล้วสิ่งที่มันชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตนในเองนั่นแหละจะเดือดร้อนอต่อเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้คือถึงเที่ยงคืนพอจวนสว่างพระ อ, องค์ก็ได มองดูสบมองดูพระไทัยของพระองค์เนี่ยมองดูใจของพระองค์เองว่าทําไมมึงทำไมเราจึงมาเวียนไหวตายเกิดใจดวงนี้มันเกิดมาจากไหนใจดวงนี้มันเกิดมาจากไหนใจดวงเนี้ยท่านก็มองมองมอ ง, มองย้อนไปหาต้นพ่อแม่ของใจดวงเนี้ย่ะออพ่อแม่ของใจดวงนี้เกิดมาจากไหนแต่ละคนแต่มองท่านมองมองใจของพระองค์ก่อนมองพระไทัยของพระองค์ก่อน ว่าพระไทยด้วยใจของพระองค์เกิดมาจากไหนใครเป็นพ่อแม่ของใจดงงในทีแรกท่านมองไปไปเห็นตัวอวิชชาเอ่อธรรมุนเลยใหญ่เลเอ่อคล้ายๆออกมาจากตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราอ่สร้างคาร้างาราปัจจยาวิญญาณันี่แหละสรุปแล้วคือใจดงนี้ออกมาจากความโง่เอ่อความไม่รู้ความหลงความมัวเมาคือกิเลสเอ่อ ตัวอวิชชานะี่น่แหละคือใจตรงนี้ออกมาจา ก, จากนั้นพอออกมาแล้วจะเนี่ยเกิดมาแล้วเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารไม่ลบกี่ภพกี่ชาติเป็นมาเกิดเพราะอะไรด้วยด้วยเหตุผลอันไรก็เพราะว่ากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมหะโลภโกรธหลงอยู่ในพระไทยใจเป็นส น, นิมตัวนี้แหละปั่นป่วนพิกความพิกหงายพาให้ดวงใจตรงนี้เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาร จากนั้นพระองค์จึงอเราจะใช้วิธีกรรมยังไงจึงจะปรับปรุงแก้ไขใจดวงนี้ได้ท่านจึงใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือท่านจําแนกออกมาว่าสัมมาทิสติอันนี้คือปัญญาสัมมาทิสติสัมมาสมมาังกปรวาจากัมมันตัวอาชิววายวาโมสติสมาธิสรุปและมักแปดในมักแ8ดนี่ก็คื อ, อท่านแยกออกเป็น ปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิกันกรองไตรตรองชําระดวงวิญญาณคือชําระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยใจขององค์ได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนที่โครนต้นโพที่ประเทศอินเดียจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้ว เราจะไม่มาเวียนไห้ตายเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทำให้เวียนไหวตายเกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหานั้นเราชาระออกจากใจของเราแล้วเราเป็นไทยแล้วเราเป็นอิสระแล้วเราไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วเนะนี่ยแหละในเมื่อพระ อ, องค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโครนต้นโพในวันนั้ น, นเดือนหกเพนนนั้นพระ อ, องค์ก็ได้สวยวิมุตติสุข จากนั้นก่อนพระ อ, องค์ได้เดินมาโปรดปัญจวคขี่ทั้งห้านะพูดอย่างรวบรัดให้เขาพวกเราเข้าใจง่ายจากนั้นพระองค์ก็บัญญัต <c oughs> ิมาแสดงธรรมให้ปัญจวกขี่บรรจวคขี่ได้ฟังธรรมาเทศนาของพระพุทธเจา้าจากนั้นก็โปรดไปเรื่อยๆนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธ อ, องค์โปรดพระ อ, องค์ก่อนพระ อ, องค์ได้ตัดจรู้ก่อน พอได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไปเทศนาว่าการพอเทศนาว่าการแล้วได้ลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมา อ, อบางคนก็อย่างที่ลูกศิษย์หลวงพ่อที่ดุเ อ, อด่าว่ากล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะ อ, อพระทั้งหลายอย่าลืมตัวนะให้อยู่ในกรอบของศริยธรรมนะเอ อ, อย่าเธอเลอะเทานะให้สัมรวมกายวาจานะที่หลวงพ่อได้พูดอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ซะก่อน ท่านจึงบัญญัติเรื่องสินการอยู่ด้วยกันาการอยู่ด้วยกันจะทํำยังไงทางพระพุทธองค์มีองค์เดียวพ ร, ร, ระพุทธองค์คงจะไม่บัญญัติเรื่องฐานเรื่องศินเรื่องกฎระเบียบเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธองค์ได้ตัดสุนแล้วกระจบแต่นี้พอมีหมู่มาเพอได้แสดงทําให้มีหมู่มีเพื่อนมาต่างคนก็ต่างออกนอกหลู่นอ ก, ก, นอกทางบางั่งความคิดบั่งความเห็นบั่งอากับกิริยา การแสดงออกของแต่ละคนบ้างแต่ท่านองคไหนได้สําเร็จเป็นพระหรหันธ์พอเทศแสดงปัญเจ้คขี่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันธ์แล้วนะแต่ถึงยังไงถึงจะทําออกอยังไงก็ตามท่านก็ไม่ออกทําออกไปไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเพราะท่านเป็นพระหรหันธ์แล้วเป็นผู้สําเร็จรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถึงยังไงท่านก็ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นท่านต้องอยู่ในกรอบอันนั้นก็จบไป แต่ถ้าหากว่าเทพเข้ามาแล้วเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเฉยๆเออเห็นว่าโอ้เขาน้าเขาน่านับถือน่าเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ไปปฏิบัติได้ตั้งจิตตั้งใจภาวนาใจของเราก็คงจะได้รับความสงบอพอเข้ามาพอเข้ามาอยู่ไม่ใหม่ก็เออดีอพอต่อไปต่อใหม่กิเลสในใจมันถลุงออกมาเอยมันมันทะลุออกมาเฮย มันเอาเรื่องกิเลสออกมาใช้เถไงเออมันเอากิเลสราคะโทสะโมหะเอากิเลสทางโลกเขามาใช้ในทางธรรมมันแปลกอะไรเถไงมันผิดอะไรเถไงมันเดินผิดทางใช้แล้วเถไงพระพุทธองค์ต้องไม่ได้เออต้องบัญญัติเรื่องกฎและเบียบกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันพระพุพอเห็นนั้นพระองค์จึงบัญญัติเรื่องศินฮะนี่แหละความบัญญัติแต่ตามไม่จริงในเมื่อพระองค์ได้ตัดรู้ตอนนั้นอ่ะพระองค์ก็ไม่ได้ บัญญัติอะไรเพราะว่าท่านในตัตสรู้จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นคือจุดเได้สําเร็จพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณตัดกิเลสในเมื่อท่านตัดกิเลสได้แล้วท่านก็เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณทับเทศให้พระอรหันต์ฟังพระอรหันต์ปัญจวคีร์ต่างๆก็ได้สําเร็จก็ไม่มีปัญหาแต่พอมาปุตชนทั้งหลายนี่เกิดมาสุดท้ายภายหลังออกนอกโลกนอกทางบวชเข้ามาแล้วก็ ส่วงหาลาบปังหายดปังสรรเสริญบงังความจินยอมสรุปแล้วก็คือลืมตัวนั่นเองว่าค้าเป็นใครถ้าเราไม่ลืมตัวนะอยู่ในสถานที่ใดไม่ลืมตัวข้านคือพระอยู่ในฟอร์มนี่คื อ, อยุนิฟอร์มของพระพธธาาุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรสอนไม่ให้ลืมตัวสอนให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยสิส่งละวินัยมีอย่างไร เราก็ปฏิบัติตามศีลและวิัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นั่นแหละพระทั้งหลายจะน่าดูมองแล้วก็ น, น่าดูสวยงามใครๆมองเห็นในพุทธบริษัทสีด้วยการมองเห็นแล้วก็ห น, น, น้ากราบหน้าไหว้หน้ากรพบสักการะบูชาแต่ว่าถ้ามองๆดูถ้าเป็นกิจกิเลสลืมตัวชะมาแล้วทำอะไรออกนอกลกูนอกทางอย่างนั้นแปลว่าพระออกนอกลกูนอกทาง พระไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในกฎยนไม่อยู่ในระเบียบขิดในอย่างนั้นแปลว่าพระอลัชชีไม่มีฮิริโอตปะไม่มีอย่างอายทำจริงไหนก็ทําออกไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะไอ้ผันั้นพอให้พาลูกพหลานทั้งหลายให้ตรวจตราดูตนเองอย่าลืมตัวเองถึ้งมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อไม่ให้ลืมตัวเองนะหลวงพ่อเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดลาลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมายังไง พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติวินัยศีลและวินัยอย่างไรนี่แหละหลวงพ่อจะเดินตามแนวแถวของพระธรรมวินัยพระธรรมคําสอนของพระทาแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติเรื่องศีลและวินัยกฎระเบียบทั้งหลายให้พวกเราปฏิบัติท่านได้ตัดสรู้ซะก่อนนะลูกหลานนะท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซะก่อนจุดนั้นเป็นจุดใหญ่จุดเริ่มต้นจุดจุดเริ่มแรก แต่ถ้าว่าพวกเราเไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในนัเบียบไม่อยู่ในวิถีใน เ, เราจะเข้าไปถึงจุดนั้นกดยากอีกต้เย เ, เพราะอะไรเพราะว่าใจของเรามันหยาบมันออกนอกลูก่นอกทางมันตะล่อมเข้าไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติให้บัญญัติเรื่องอสินซะก่อนสารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินเมื่อเป็นคนผู้มีศินแล้ว มองดูการกระทําการกระทําของตนเองทางอดีตถึงปัจจุบันในขณะนี้เราไม่ได้ทําความชั่วเสียหายเราไม่ได้เป็นด่าใครเราไม่ได้ไปชกไปต่อยไปตีใครเราไม่ได้ว่า ก, กาวใครเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่ได้ทําล่วงละเมิดผิดวินยัยเราก็เมื่อเรามองดูตัวเองสัมบูรณ์สินของเราดีเวลาเราเรานั่งสมาธินะ ใจของเราก็ไม่วิตกไม่กังวลใจของเรากะเน่งพอเน่งจิตใจเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจความสงบแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปันเป็นปัญญาที่แท้จริงนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าบัญญัตรเริเรื่องศินเรื่องศินและวิ น, ยนัยเพื่อให้พระทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มีกฎมีให้มีระเบียบ แต่ตามไม่จริงถ้ามุ่งมั่นในอัดในธรรมจริงๆอย่างพระรุ่นแรกนะเขไม่มีปัญหาพอภาวนาไปแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และกระจบทลเลยเไม่ต้องรักษาวินยัยไม่ต้องรักษาศีลเพราะศีลและวินัยเป็นอัตโนมัติของพระอรหันต์อยู่แล้วนะท่านถึงจิตปริสุทธิ์แล้วท่านจะไม่ทําขนาดคิดไม่ทําคิดไม่ทําความชั่วแล้วท่านจะทําความชั่วได้ยังไงท่านจะพูดความชั่วได้ยังไง เ, เพราะเหอะไรเพราะใจของท่าน เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วมันออกมาจากใจทั้งหมด เ, เพราะนั้นให้พวกเราตรวจตราให้เป็น จ, จิตใจเป็นสมาธินะพลูกพราหลานคณะจทหาญาดโยมทั้งหลายนะเนี่แหละเรื่อง จ, จิตใจเรื่องสมาธนะิเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนพวกเราจะนั่งสมาธินะวันไหนที่เป็นวันพระหรือวันสำคัญ เ, เราควรจะนั่งสมาธิเลยทุกวันดีที่สุดนะ ถึงจะมากหรือน้อยก็ควรจะฝึกเอาไว้ไม่ให้มันเกิดสนิมนะอย่างน้อยก็เอากระดาษทราย ถ, ถูเหล็กสักหน่อยกอดกอดสักสอ ง, สองสทีก็ยังดีกว่าที่เราไม่ถูฉเฉยนะถ้าปล่อยปะละละเลยเป็นปีเป็นเดือนก็มัสนิมมันเกิดขึ้นเกลื่อนนะแต่ถ้าว่าเราถูทุกวันตรงไหนที่มันเกิดแล้วก็ถูตัวนั้นแรงแรงสักหน่อยจากนั้นก็อพอสนิมอย่างน้อยก็ วันไหนมีเวลามากกับถูให้มากเอากระดาษทรายขัดให้มากาผลในสุดสนมันก็ไม่เกิดอผลในสุดก็นนะสนมไม่เกิดไม่เกลิกิเลตราคะโทสะโมหะไม่อยู่ในจิตใจจิตใจตรงนั้นก็ บ, บริสุทธิ์ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อ อ, อจนรู้แจ้งเห็นจริงได้แต่ถ้าพวกเราปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจสมาธิไม่เคยทํา ทานศีลภาวนาไม่เคยสนใจไม่เคยปฏิบัติเลยไม่เป็นผลดีนะลูกหลานนะนี่แหละคือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแต่หลวงพ่อพูดไปที่ไหนที่ไหนหลวงพ่อกว่าตายแล้วเกิดนะ่ลูกหลานนะเพราะพระ พ, พุทธเจ้าท่านดัสรู้วันแรกนะปุกเพนิวาสานุสติยานบอกชัดเจนอยู่แล้วนะ เ, เนี่ยปุปเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้นะ พระพุทธเจ้าหลลึกชาทนหลังได้จากนั้นเราไปดูสิในพระไตรปิฎกเนะ่ยพระพุทธเจ้าเกิดสิบชาติมีอะไรบ้าง550ชาติมีอะไรบ้าง500ชาติมีอะไรบ้าง อ, นนอันนี้ท่านพูดมาเป็นประเมินท่า น, นเองแต่มากกว่านั้นเป็นหมื่นๆเส้นแสนชาติที่ดวงวิญญาณตัวนี้มาเกิดในวัฏสงสารแต่พระพุทธเจ้าท่านท่านพูดในพระไตรปิฎกไว้ไวนะ เพราะพระพุทธเจ้าในเมื่อได้ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อได้รับพยากรแล้วเนี่ยจะไม่เกิดเป็นพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกธนวานะพวกเปล่งพวกปลิงบ้างพวกไหนที่สัตว์ไม่มีกระดูกพวกตัวบุ้งอย่างเนี้ยพวกพุทธเจ้าจะไม่ได้ไปเกิดนอกนั้นท่านไปเกิดมุดธนว่ากันน่ะเพราะนั้นอันนี้คือท่านพูดในพระไตรปิฎกอันนี้พวกเราฟังเอาไว้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ย อืถ้าหากว่าพวกเรายังเวียนไหวตายเกิดจู้เนี่ยเราก็คงจะเราไม่ได้รับพยากร์อย่างที่พระพุทธเจ้าพวกเราพร้อมจะไปเกิดเป็นหนอนเป็นตัวบุ้งเป็นมแมลงอะไรได้ทั้งนั้นแหละถ้าว่าเราไปปฏิชนทิไปยึดที่ไหนนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินีไพบพบพน้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะลุ่มหลงอะไรมากมายนักหนาในโลกเนี่ย ออถึงอย่างไรอย่างไงก็บุญวาสนาบา ร, รมีของเราก็คงอยเพียงแค่นี้แต่เอาละออการเป็นอยู่ทางโลกเนี่ยเราก็พยายามทําให้ดีที่สดุดมันขยันให้มากที่สดุดแต่พร้อมกันก็อย่าลืมศีลธรรมศิลธรรมในะจิตใจในพวกเราอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจนั่นแหละอันนี้แหละคือเป็นหลักนะออจิตใจที่ พวกเราหาหลักหากุศลเข้าสู่จิตใจคือหลักยึดทางด้านจิตใจของพวกเรานอกนั้นไม่มีไม่มีอันยึดนะลูกหลานนะไปยึดทรัพย์สมบัติแล้วก็แล้วไปยึดลูกหลานแล้วก็แล้วไปยึดสิ่งวัตถุยศฐานบรดาศักิ์แล้วก็แล้วนะมันไม่มีที่ยึดออกเหล่านั้นนี่แต่ยึดคุณงามความดียึดบุณกุศลในจิตในใจเท่านนะจะเกิดประโยชน์นะต่อเนื่ไปรับพรในตอนนี้นะพระสงค์อนุโมทนาให้พร